พูดถึงสังขาร่าสังขาร3ตามนี้เนี่ยเป็นสังขารอีกในหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต้องดับวจีสังขารก่อนวจีสังขารคือวิตกวิจารณ์นะวัจจีสังขารเป็นชื่อของวิตกวิจาร์ส่วนกายยะสังขารเป็นชื่อของลมหายใจ กายสังขารชื่อของลมหายใจส่วนจิตตสังขารเป็นชื่อของสัญญาและเวทนานเขาถามว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินี่ดับอะไรก่อนก็บอกว่าหนึ่งดับวจีสังขารก่อนคือดับวิตกวิจารก่อนอย่างที่สอง ด, ดับกายสังขารคือลมหายใจ อย่างที่3มก็ดับสัญญาและเวทนาคือดับจิตเนี่ยนะเรียกว่าดับจิตตสังขารถ้าดับจิตตสังขารได้อย่างนี้ก็จะเป็นนิโรธสมาบัตินี่โรธสมาบัติเป็นตัวดับสัญญาและเวทนาการที่จะดับลมหายใจเข้าออกดับด้วยทุติยชาทุติยาดับ ดับวิตกวิจารจะตุททชฌานฌานที่4เนี่ยนะจะตุททชฌานนี่ดับลมหายใจเข้าออกส่วนนิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นตัวดับสัญญาและเวทนานั่นแหละอันนี้เกี่ยวกับสังขารของของเกี่ยวกับผู้ได้ฌานทั้งหลายเป็นอย่างนี้อีกสังขารอีกในหนึ่งคือกายสังขาร วจีสังขารและก็จิตตะสังขารหรือมโนสังขารเนี่ยนะก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ากายกรรมกายกรรมคือกายสังขารได้แก่เจตนา20่สนะ่วจีสังขารก็เจตนา20ส่วนจิตตะสังขารก็คือเจตนา2 9เนี่ยนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปนะ เดียวกับเรื่องบุญบาปนั้นได้แก่เจตนาถ้าเลยเรียกว่าเจตนา29รวมรวมแล้วนะถ้านับแล้วไม่นับอีกก็ได้กับเจตนา29อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายสังขารเป็นกายกรรมอะไรเนี่ยกายสังวจีสังขารคือวจีกรรมถ้่ย่างไรก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพอันองคธรรมได้แก่เจตนาอย่างเดียวนะก็มีอยู่สองในด้วยกัน ส่วนศัพท์ว่าสังขารนี่โอ้มีความหมายมากมีความหมายเยอะมากศัพท์โดยศัพท์นะถ้าสังขารภาษาชาวบ้านก็ร่างกายอย่างเดียว เกตถามว่าไงาคือเขียนว่าทัชินายอสดสาเร็จผลช่วยสานะคะด้วยการ า, า, าของเปรตแล้วก็ที่ข อ, ของทายกแล้วก็ที่สามกคยเหคองคนี้ทุกคนนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเสื้อผ้าให้สมาย ก็ถ้าจะสำเร็จผลเนี่ยต้องให้คนมีศีลเอางี้นะถ้าจะให้นะวันที่เขารักษาอุโบสดอ่ะที่เขารักษาอุโบสดกันดีๆเนี่ยนะเอาไปไปไปทำบุญตอนนั้นนะถ้าอย่างนั้นพอมีผลอยู่แต่ถ้าเป็นบ้านคนชราทั่วไปที่เราเมายาอันน um. ี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า เพราะทักษินายบุคคลเนี่ยเขาต้องมีไตรสรณคมกับมีศีลจึงจึงจะเป็นทักษินายบุคคลที่ที่เปรตเขาอนุโมทนาได้เนี่ยนะแต่ถ้าไปให้บุคคลที่เหลือก็ไม่มีกล่าวในคัมภีร์เพราะว่าก็มีในแทงหนึ่งก็บอกว่าพวกหัวโลนปล้นเอาไปหมดแล้วเนี่ยนี่ก็มีพวกทุศีลเขปล้นเอาไปหมดแล้วก็มีเพราะว่ามันขาดองค์คยข้อสาม คือการทาบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ที่เรียกว่าบรรพบุรุษเนี่ยนะสําเร็จด้วยองค์สามนะข้อแรกการอนุโมทนาของเขาคือเปรตเนี่ยอนุโมทนาข้อ2คนที่ทําบุญนีอุทิศให้แปลว่ายกให้นะยกบุญให้ข้อที่สาผู้รับเนี่ยเป็นเป็นผู้ผู้มีคุณธรรมสมควรแก่รับ ทักษิณาน่ น, นะคือมีกุศลธรรมเช่นมีศีลเป็นต้นนั่นเองนนะถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นก็คือถ้าไปทำกับผู้ที่ศีลมไม่ดีเปรดเขาก็ไม่กล้าอนุโมทนาหรือเขาอนุโมทนาไม่ลงนะ <c oughs> แล้วก็อีกในหนึ่งก็ถ้าถวายพระภิกษุในยุคนี้ก็เน้นสังฆทานน่ดี คือคำว่าสังฆทานหมายคำว่าน้อมถวายเป็นสังฆทานหมายคำว่าไม่ประรบเจาะจงแต่ก็เอ่ยคำไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรอกสำคัญอยู่ที่การน้อมใจของเราน่นะน้อมใจไปหาคือเจริญสังฆ ค, คุณแล้วให้ทานอ่ะนะพูดง่ายๆเจริญสังขานุสติแล้วให้ทานอย่างนั้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยได้ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำสมควรแก่การกราบการไหว้แล้วข้าพเจ้าอนน้อมอุทิศทานเหล่านี้แด่พระอริยะสง์เหล่านั้นนะแล้วก็คิดในใจของเราก็ได้ยขมบขมิดในปากเราก็ได้ in in ว่าไปอือ <English> พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในบ้างหนึ่งสองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกบ้างสองสามก็พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกใช่เจริญสติปัฏฐานสี่ในฐานะสามฐานะที่หนึ่งก็คือภายในฐานะที่สองก็ภายนอก ฐานะที่สามก็ทั้งภายในและภายนอกคือเฉพาะเวทนาสุขทุกขเวขาหรือว่าเวทนาเก้าเวทนาเก้าเป็นไงใครไปทำปริญญาในทุกขาริยาสัตว์ปะบ้างเนาะว่า ทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอุปาทานขันห้าอีกในหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขาริยศาสตร์นี่ใครชอบขันห้าใครชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจอันไหนอันไหนชัดเจนกว่ากันอาจารยคยสอนอันไหนชัดกว่ากันว่าขันห้าคือตัวทุกข์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์เนี่ยนะอ๋ออ๋อคุยคนอื่นดีกว่า ค, คุณอะไรด ی? ีคุณน้องเหมือนกันอา่อ า, อาคุณอารีว่าขันห้าคือตัวทุกข์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์ในอันไหนชัดกว่ากัน<ไ>อ <pen>. ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชัดกว่านะเออของมามีเพื่อนนะคนหนึ่งคนเดินนะเอา้เอาคุณหมอรอนะบอกว่าขันห้าคือตัวทุกข์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์ในอันไหนาชัดกว่ากัน อ๋อขันห้ามากกว่านะเพราะว่าได้ยินมาบ่อยคุณชูศรีเอะว่าไงอ๋อล้อ๋ออ๋ออ๋อถ้าใช้คำว่าจิตเนี่ยตัวทุกข์กันนะอ๋อคุณนภาะไรดีขันห้านะจันเก็ตอะไรอ๋อตาหูจมูกเล่นกายใจมากกว่าอ๋อ นึกไม่ค่อยออกอ่นนะคุณทุจริตน่ะอ๋อคำมาขันเนี่ยถนัดมาเพื่อนแล้วย่อมาอ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์่ะน ะ, ะนคุณมุนมีไม่ถามแล้วตอบที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ตอบตรงเป็นระเด็นสักทีคุณคอยใจอ่๋ตอตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์อันไปลิ้นอ่ะหึ <c oughs> ขันห้าเนาะอ응ขันห้าอ่าและโยมที่นั่งอยู่ติดเสาโน่นนะข้างหลังโน่นนะอ๋อไม่มีข้างหลังแล้วมันข้างหลังแค่นั้นน่ะ อ, อ๋อตาหูจมกูกเลนกายใจคือตัวทุกคุณมันชออูอะไรดีอะไรคือตัวทุกระหว่างขันห้ากับตาหูจมกูกเลนกายใจอ๋อนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกเลยนะะ อ, อื มันเลยทุกอะเนาะแล้วจา์สุธนันน่ะอ๋อตาหูจมูกออนั่นนะเห็นชัดเลยนะจานละมุนบอบบังๆหน้าดูเลยอ ะ, อะไรเป็นตัวทุกดีตาหูจมูกลิ่นกายใจทุกกว่าขันห้านะ คือคือคำว่าขันกับอายตนะเนี่ยนะคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าใครเนี่ยถนัดในคําใดมากกว่ากันคือบางคนเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ประสบะการณ์ภูมิหลังอะนะใครที่ฟังเรื่องขันมามากเขาจะบอกขันห้าเนี่ยคือตัวทุกข์ละแต่ถ้าใครฟังธรรมศึกษาธรรมะอ่าเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมาม า, มากเขาก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์ซึ่งอันที่จริงก็ต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันหรอกเห็นไหม ที่เรียกว่าต่างโดยโวหารเทศนะจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่ารูปไม่เที่ยงกับบอกตาไม่เที่ยงเนี่ยบางคนนี่สังเวทต่างกันนะบอกรูปไม่เที่ยงกับบอกหูไม่เที่ยงบอกว่ารูปไม่เที่ยงแต่บอกว่าจมูกไม่เท <c oughs> <valleys> ี่ยงนะหรือบอกรูปไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงหรือบอกรูปไม่เที่ยงบอกกายไม่เที่ยงถ้าบอกวิญญาณไม่เที่ยงถ้าบอกใจไม่เที่ยงนะอันไหนถนัดกว่กันก็พิจารณาเอา แต่เขามีบทแห่งพระธรรมที่บุคคลเอาไปพิจารณาซึ่งเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็แบ่งตามอย่างนี้ แบ่งเป็นหยาบที่สุดเลยนะคือมหาพูดนะ น, นะมหาพูดสี่ก็คือปัทวีเท่าไหร่ยี่สิบอาโปสิบสองเตโชหเตโช4ใช่เนาะเตโชว4วาโหย6 น, น, นะบางคนเนี่ยถนัดในการพิจารณารูปประขันมากเขาบอกว่า รคประคันอันนี้แหละคือตัวทุกเนี่ยนะมหาพูดนี่แหละคือตัวทุกบริหารมหาพูดนี่มันหนักจริงๆว่างั้นไม่หนักเลยควรไปขึ้นไปไหวพระเจดีสักสองรอขั้นกันได้แล้วมหาพูดมันจะหนักขึ้นทุกๆขั้นเลยโดยสุเทพนะลองคเดินขึ้นดูนะนี่มหาพูดบางพวกก็บอกว่าภาษายตนาหกภาษายตนะหกคือตัวทุกคือ ตาหูจมูกเลนส์กายใจอันนี้คือตัวทุกข์บางพวกบอกว่าขันห้ามากกว่านนะขันห้าคือตัวทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ในบุคคลสามประเภทเนี่ยผู้ใดมีปัญญาที่สุดใครมีปัญญาที่สุ ด, ดนันะนะว่าแหมเขาบอกว่าอันนี้มีปัญญาสัมโนนบาลีนะเขาบอกว่าอันนี้มีปัญญามากกว่านันนอันนี้เรียกว่าผู้มีปัญญามากกว่า นี่บอกมีปัญญาที่สุดเาเก่งมากเ น, นเพราะว่าคําว่าขันเนี่ยมันคลุมจักรวาลกว้างแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันแคบลงมาถ้าออมหาพูดก็แคบลงมาอีกเนี่ยเพราะมหาพูดเนี่ยนะก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละเป็นมหาพูดทันมหาพูดเนี่ยแคบกว่าทันพูดที่เห็นว่ามหาพูดคือตัวทุกเนี่ยนะ พวกนี้ก็นักบริหารร่างกายป่วยกระสอบกระแซะบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยพวกนี้จะเห็นว่ามหาพูดมันเป็นทุกข์จริงๆแต่ถ้าบางคนก็บอกว่าพวกที่รับอารมณ์โดยเฉพาะทวารใจเนี่ยนะตาก็ไหลมหาใจหูก็ไหลมหาใจจมูกก็ไหลมหาใจลิ้นก็ไหลมหาใจกายทั้งหลายทวารทั้งหลายก็ไหลมหาใจความทุกข์ก็ประดังเข้ามาสู่ใจอย่างเดียวพวกนี้ก็บอกว่าอายตนะเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยนะ แต่ถ้าพวกบอกว่าอู้อะไรมันก็ทุกไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่าง น, นะพวกนี้ก็จะถือว่าขันห้าเป็นตัวทุกก็สุดแท้แต่ปัญญานะปัญญามากก็เนี่ยเห็นขันห้าปัญญารองลองมาก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาน้อยกับเพื่อนเลยก็คือมหาพูดเนี่ยนะแต่ว่าดูดีไปหมดเลยจะมีอะไรนอกจากบอดสนิท เห็นมีอะไรเสียหายสักอย่างก็ดีนี่นนท์ก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้อันนั้นก็ไม่เลวงนะโอ้แก้ไขได้หมดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็โอ้อคนละคัมภีร์กันละซึ่งทั้งหมดดังกล่าวไปเนี่ยนะจะกล่าวแบบว่ามหาพูดก็ตามจะกล่าวว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามจะกล่าวขันห้าก็ตามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดา คือมีความเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าตัวที่ทุกข์ทั้งมวลในโลกที่มีอยู่นี่ก็คือมีสิ่งเหล่านี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้นี่แหละจึงมีทุกข์นี่นะงั้นความเกิดขึ้นของอมหาพูดความเกิดขึ้นของอายตนะภายในหกประตามหรือการเกิดขึ้นของขันห้านั่นแหละคือตัวตัวทุกข์ตัวปัญหานะปัญหากับปริศนานี่คนละอย่างกันใช่ไหม ภาษาไทยเนี่ยนะคำว่าปัญหา ภ, าภาษาไทยคือเรื่องมันหนักแต่ถ้าเป็นปริศนาก็คือลักษณะโจท์ที่เอาไปไปครุ่นคิดนะนะคนนี้มันเจ้าปัญหาเนี่ยก็แสดงหนักใจเพราะเจ้านี้มากอย่างง้นะั้นคำว่าปัญหาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แปลว่าคำถามเสมอไปนะอันนี้พูดสำนวนภาษาไทยนะซึ่งภาษาพูดนี่ก็ชักแต่ละยุคแต่ละช่วงนี่ก็คาจากัดความแตกต่างกันไป ซึ่งชาติทุกข์ทั้งหลายถ้าชราทุกขล่ะชราทุกขก็คือเนี่ยมหาพูดคือภาษายตนาหกคืออุปาทานขันธ์ห้าน่แหละคือตัวชรามรณะก็คือสิ่งนี้แหละถ้าอย่างผู้มีปัญญาไม่มากนักเนี่ยนะถ้าราลองมาพิจรนารณาดูเนี่ยเขาจะถือความชราเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดชราเช่นเขาถือมหาพูดคือผมเนี่ยชราแลว้ว ออกแล้วว่งั้นคนเนี่ยออกแล้วนะเล็บหลุดแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะเห็นชาราที่มหาพูดนะเห็นความชาราของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจไตพังผืดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็พิจารณาที่มหาพูดว่าเออมันเสื่อมคุณภาพมันด้อยคุณภาพคุณภาพมันลดลงปริมาณการใช้งานเป็นต้นมันไม่ดีดังเดิมแล้วบางพวกก็บอกอาโปธาตุเี่มัน มันเสียหายมันเปลี่ยนแปลงเช่นว่าอายุมากมากก็น้ําตาไหลไม่ค่อยหยุดอย่างหนึ่งาอายุมากขึ้นตาฝืดขึ้นน้ําตาไม่ค่อยมีเลยอย่างนี้นะก็แล้วแต่ว่าอันนี้เครียกว่าตารภที่อาโปธาต์ยกตัวอย่างอาโปธาต์นั่นนะถ้ายกตัวอย่างเตโชธาต์ก็บอกตั้งแต่อายุมากขึ้นเนี่ยไข้ขึ้นบ่อยๆไข้ขึ้นมากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งอันนี้ก็ปรารภเตโชธาต์ บางพวกก็บอกว่าเนี่ยความดันเพิ่มขึนะนะความดันมากขึ้นความดันลดลงพวกนี้ก็เป็นโรควายโยธาแล้วก็ใครเห็นชัดอะไรมากพีถ้าถ้าอย่างสายสายแพทย์เลยนะสายแพทย์เนี่ยโดยทั่วๆไปก็เน้นมหาพูดนะีเน้นการพิจารณามหาพูดเพราะโรคของแต่ละคนนี่อยู่ที่มหาพูดเพราะวิเคราะห์โรคก็วิเคราะห์ตามมหาพูดเนี่ยนะ บางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยมหาพูดนี่แหละคือตัวชาติชราและมรณะเนี่ยนะความทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่มหาพูดเนี่ยนะเพราะว่าอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งเสียเงินเสียทองเยอะแยะไปหมดเลยค่าตัดผมหมดไปท่หลาแล้วค่าตัดผมซอยผมสระผมอะไรสารพัดเกี่ยวกับผมเนีรวมๆกันแล้วโอ้อหมดไม่ใช่น้อยเนอ น, นนะรักษาบำรุงผมเนี่ย ก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็นในยะเดียวกันเนี่ยนะก็บำรุงดูแลหมดค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยบางพวกก็บอกว่าถ้าเป็นพวกนักท่องเที่ยวบริโภคนิยมพวกนี้ก็ยกให้ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนะไปเพื่อจะดูไปทุการเนี่ยเล่าให้ฟังบอกอไปแต่มืดเลยไปดูดวงอาทิตย์มันขึ้นของเราด้วยนะคุณนภาโอ้ยตื่นแต่ดึกตีสีเลยจะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำคงคา มันก็ขึ้นอยู่ของมันทุกวันนั่นแหละมันเดือดร้อนอะไรมากมายจะต้องล่องน้ําไปเพื่อจะไปดูดวงอาทิตย์ฝุนตลบอบอวนไปหมดเนี่ยนะจานุธรรมก็ไปไปไม่มาเนาะเอาไปดูดวงอาทิตย์เอาเงินน่ะก็ขึ้นบ้านเราอยู่ทุกวันเนี่ยนะแต่ไม่ได้ต้องไปขึ้นตรงนั้นนะหูก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยถ้าเป็นของเราทั้งหลายอาจจะไม่เท่าไรนะถ้าเป็นพวกวงการพวกนักฟังนักร้องทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ยตามฟังมันเดือดร้อนจริงๆเลย ก็พวกจมูกเนี่ยนะจมูกหรือเลนส์กับจมูกนี่บางทีมันอยู่ใกล้กันก็พวกนักกินทั้งหลายพวกนักบริโภคทั้งหลายเนี่ยแสวงหาสรรหาไปกินก็พวกทวารกายก็คือสแสวงหาความสุขะนะแสวงหาความสุขทางกายแต่ว่าในทวารทั้ง6เหล่านี้ถ้ามันเสียหายมีปัญหามันสูดโซมลงมาอ่ะนะมันเสียหายขึ้นนี่ก็เรียกว่าชารา ตานีฟ้าลงเห็นไม่ค่อยชัดหูตึงขึ้นตึงอยู่อย่างเดียวจมูกจมูกก็หายใจไม่ค่อยดีแล้วนะรับกลิ่นไม่ค่อยดีลิ้นรับอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยร่างกายเนี่ยนึกตรงไหนปวดไปหมดเลยนึกถึงศีรษะก็ปวดปวดหัวนึกถึงศีรษะปวดหัวเนาะอันเดียวกันนั่นะแล้วก็ บางคนนะถ้าเป็นคนที่แบกโลกเนี่ยนะพวกนี้ค่อนข้างจะทุกข์ใจพวกแบกโลกไหมไปเก็บสารพัดสารพันมาเพื่อจะจะทุกข์ใจเนี่ยนะเก็บเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้มาโอ้ไปเที่ยวรับภาระแบกภาระคนอื่นนะไปเที่ยวสรรหาเอามาคิดไปหมดเลย <c oughs> คิดแล้วพวกกันมาเที่ยวห้าโมง ส่วนบางพวกเนี่ยก็ถือพวกที่เรียนธรรมะมามามากๆจริงๆเนี่ยเขาจะมองเป็นขันห้าคือปัญญาที่เขามองเข้าพิจารณาเนี่ยเข้าพิจารณาได้กว้างขวางมากเขาจะเห็นรูปเนี่ยเช่นออพอเขามานาศัศการอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บนะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเขาบอกว่าภูตรูปและ อุปาทายรูปเนีย่ยนะเขาจะมองเป็นอย่างนี้เลยเขามองว่าทุกๆอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือภูตอรูปและอุปาทายรูปรูปเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาหเนี่ยนะพวกรูปนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสมเป็นที่ตั้งแห่งสัญญา6สัญญาห ก, ก็คือรูปประสัญญาเป็นต้นใช่ไหมอ่าเป็นที่ตั้งแห่งเจตนาเท่าไหร่ เจตนา6หรือเจตนา3เจตนา6ก็คือรูปประสันเจตนาสัธาสันเจตนาเป็นต้นถ้าเจตนาสก็คือกายสันเจตนาวจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาเนี่ยนะก็มองเป็นเจตนา6หรือเจตนาสามบางพวกก็มองวิญญาณก็เป็นวิญญาณวิญญาณ6คือวิญญาณทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้ากว้างขวางขึ้นไปอีกเรียนมาเยอะก็81ิเนี่ยนะจิตแ1อันนี้ถ้าตามอภิธรรมที่เราเรียนกันนะถ้ามองตามพระสูตรก็คือจิต1 6จิต16มีอะไรบ้างจิตมีราคาจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะพ ว, พวกพวกพิจารณาแบบขันท่าเนี่ยพวกนี้เรียนมากว้างขวางมากนะมันก็สุดแท้แต่ความเป็น พหูสูตรเหมือนกันบางคนเรียนมากแต่ะ้ะคิดเนี่ยเรื่องมหาพูดดีกว่าง่ายดออีมาดูถ้าจะกลับไปคิดเรื่องมหาพูดมากแล้วแสดงว่าปัญญาพอประมาณนะปัญญามีพอมีแต่มันไม่เยอะพวกพิจารณาถึงโอ้โหได้ทุกทวารเลยนะตรงนี้ปัญญาปัญญามากกว่าเจ้าแรกถ้าใครพิจารณาขันห้าได้บอกมีปัญญาสูงที่สุดนนะก็ตรวจสอบเราเลยนะว่าเรานี้มีปัญญา ระดับไหนคือเข้าเออส่งเครื่องวัดเหล่านี้ไม่ใช่วัดตอนเรียนแต่วัดตอนพิจารณาเป็นจริงตอนนอกห้องเรียนอะ่ะไปคิดถึงอะไรตอนไหนมากที่สุดผู้การสามอย่างนี้อะไรมากกว่าเพื่อนผู้กนนารภาษายัตนาหกนะมีปัญญามากกว่า <c oughs> <c oughs> เธอบางคนเนี่ยมองเห็นนะว่าไอการเห็นนี่มันเป็นภาระจริงๆเลยนะการเห็นการได้ยินการรู้เกลียนการลิ้มรสการเคี้ยวการกินการบริหารร่างกายกา ร, การนึกคิดเรื่องราวเนี่ยมองเห็นว่าคือตัวภาระที่แก้กันไม่มีจบไมีสิน้นนะคุณพาเห็นอะไรมากกว่ากันตกลงขันทาเหมือนเดิมรักษาขันท่าไว้ ทั้งมหาพูดทั้งอายตนะภายในหกทั้งอุปาทานขันห้าทั้งหมดเหล่านี้แหละโทวนอีกครั้งนะว่าคือสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความชราเป็นธรรมดาสิ่งใดที่ชราสิ่งนั้นก็แตกทําลายเสียหายเป็นธรรมดาเพราะเป็นปกติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้แหละชาติชรามรณะ เป็นปกติของมหาพูดเป็นปกติของภาษายตนา6เป็นปกติของอุปาทานขันห้าเขาเลยเรียกว่าธรรมะธรรมะที่แปลว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาเขาจริงๆแต่สัตว์ทั้งหลายพยายามฝืนธรรมดาตลอดใช่ไหมความคิดส่วนใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยคิดฝืน้นธรรมดาอยู่ตลอดเวล า, านะเช่นที่เกิดมาแล้วก็ขออย่าแก่ที่แก่แล้วก็ขออย่าตายเนี่ย คือเป็นความคิดที่พยายามที่จะแนวความคิดที่ฝืนอยู่ตลอดเวลาเพราะ้นแนวความคิดที่ฝืนนี่แหละเรียกว่าวิปลาสเนี่นนะวิปลาสคือสำคัญว่าแต่อยากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปอันนี้ก็เป็นอะไรนิจจาวิปลาสน่ น, นะถ้าดำรงอยู่ได้ก็เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นสุขาวิปลาสพื้นฐานเหล่านั้นก็มาจากอัตตวิปลาสนั่นแหละ เพราะสําคัญว่าเที่ยงสําคัญว่าศกสําคัญว่าอัตตาเนี่ยนะก็เลยพยายามไม่เห็นตามชีวิตที่เป็นจริงถึงฟังมาขนาดนี้เราก็พยายามไม่ค่อยคิดตามตามที่เป็นจริงสักเท่าไหร่ก็มาเชื่อเลยอยันนะก็ถามง่ายๆว่าวันนี้ไปคิดอริยสัจกี่ครั้งแล้วเนีย่ยนะถามว่าแบบตัไม่ค่อยโสมนัสเลยนะ กเนี่ยตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเห็นทุกขาริยศัตว์นั่งอยู่เต็มไปหมดเลยอ๋อเห็นตอนเห็นทุกข์กษัตริย์เลยนะแต่แต่ตอนอยู่บนเครื่องเลยลืมเลยนั่นลืมอริยสัตว์เลยนะน้องๆเห็นอริยสัตว์ไหมวันนี้เห็นนะนวันนี้เขาบอกว네ันแม่ใช่ไหมวันแม่ก็คือวันชาติทุก่ะ ถ้าอันนี้เราวิเคราะห์แบบสภาวะนะก็วันสุดทั่วไปก็คือวันที่เหมือนกับว่านึกถึงว่าเราเนี่ยได้เกิดโดยอาศัยแม่ก็คือเนี่ยนึกถึงชาติทุกข์นะนะความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยมามาจากตรงนั้นแต่อย่าลืมว่านี้มงคลข้อท้ายๆแล้วนะมงคลข้อการเห็นอริยสัจนะเดี๋ยวไปเสียหายมงคลข้อบัมรุงมานดาบิดาเนี่ยคนละข้อกันนะฟังไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าเนี่ยเข้าใจอริยสัจมากไปก็เลย เสียหายมงคลข้อต้นๆอันนีน้ระวังให้ดีๆเนี่ยนอันนี้เรากำลังพูดมงคลที่สามสิบกว่าๆแล้วนะมงคลต้นๆก็ถือว่าสอบผ่านกันหมดแล้วนะ